ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินารังการะดีกาแปลพระพุทธคิตอาจารย์ชาสศีลังการรัชนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาพระพุทธคุณก้าบทในบทว่าสัมมาสัมพุทโทสถว่าสัมมาโดยชอบนี้ในคำว่าอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนี้เป็นนิบาตใช้ในอัดว่าดีปาฐ ะ, ะว่าสังหรือศัพท์ว่าสังนี้เป็นอุปสรรคอธิบายว่าสยังเพราะเหตุนั้นบุรพาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตัดสรู้ทมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เอง ในข้อนี้คําว่าบุตโธหรือคําว่าสัมมาสัมบุตโธมีความต่างกันอย่างไรข้าพเจ้าพระพุทธรคิตาจารย์จะ ก, กล่าวฉเฉยเพื่อจับพนานาคุณแห่งอาสวัคคายานอันกระทําการละกิเลส ท, ทั้งหมดอันให้พระพุทธคุณทั้งปวงพระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวคําว่าสัมมาสัมบุโตโธตัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ในคำนั้นคำว่าอาสวัคยญาณหรือว่าสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวคตแห่งอารัตามัคคยา น, นั่นเองส่วนคำว่าในในธรรมที่ควรรู้ทั้งสิน้นพระพุทธรคิตอาจารย์จึงกล่าวบทว่าบุตโธพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เพื่อจะพนานาคุณแห่งพระสัพพัญญุตยานอันเป็นไปแล้วในความที่ควรรู้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคําว่าสัมมาสัมพุทโธอันนี้ก็เป็นการพนานาคุณแห่งอาสวัคคยายานนะการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทําการละกิเลสได้หมดแต่ว่าคําว่าบุโทโธนี่เป็นการประกาศพนานาพระสัพพัญญุตยานก็คือรู้ในสิ่งทั้งปวง แต่ว่าท่านก็แสดงว่าในคำว่าอาสวยายาัคยญาณหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นเป็นไมพทแห่งอรหัตตมัคคยานนำมาซึ่งคุณทั้งปวงก็คือนำมาซึ่งสัพพันยุตยานดวงประทีปที่เขาจุดไว้ในเรือนในที่มืดย่อมกำจัดความมืดได้ในขณะหนึ่งย่อมให้แสงสว่างผู้มีจักสู่ทั้งหลายย่อมเห็นรูปทั้งหลายด้วยแสงสว่างนั้นฉันใด อรหัตตมัคคายานอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมกำจัดความมืดคือกิเลสเึ่งเกิดขึ้นในขณะหนึ่งหนึ่งย่อมให้แสงสว่างคือญาณพระสัพพายุตญาณย่อมเห็นธรรมที่ควรรู้ทั้งสิน้นด้วยแสงสว่างนั้นฉันนั้นส่วนอรหัตตมัคคายานของพระอรหันต์เหล่าอื่นเมื่อเกิดขึ้นย่อมละกิเลสทั้งหลายได้และยังการแทงตลอดสัจจะให้สำเร็จแล้ว และยังปฏิสัมพิธาเป็นต้นให้สำเร็จตามสมควรแก่ปฏิปทาในเบื้องต้นของท่านเหล่านั้นแต่ไม่สามารถจะละโทษพร้อมทั้งวาสนาได้ไม่สามารถจะยังทำที่ควรรู้แม้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยได้เพราะปฏิปทาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบาเพ็ญบริบูรณ์แล้วไม่มีตัวเหลือย่อมละกิเลส พ, พร้อมทั้งวาสนาโดยไม่มีตัวเหลือ สามารถจะยังมนทนแห่งเยยยัดทมทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยไม่มีส่วนเหลือเพราะละกิเลสพร้อมทั้งวาสนานั้นได้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือส่วนอรหัตมรักเพราะเพราะเหตุที่เมื่อเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์เหล่าอื่นย่อมไม่สามารถจะให้สว่างสวัยได้โดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นพระอรหัตมรักนั้นย่อมได้เพื่อจะกล่าวว่าอหัตมรบบับ้างโพธิบ้าง แต่ไม่ได้เพื่อจะกล่าวว่าสัมมาสัมโพธิเพราะแทงตลอดโดยมีตัวเหลือก็อรัตตมรัคเกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสัมมาสัมโพธิเพราะทำมวลทนแห่งเยยธรรมทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีตัวเหลือย่อมรู้ตามที่ปรารถนาแล้วด้วยกามาวัจระยานในภายหลังเพราะกระทําให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยอรัตตมรัก เพราะฉะนั้นอรัตมรัคนั้นเป็นโลกุตระนะเป็นสวัคยญาณเป็นสัมมาสัมโพ ธ, ธิส่วนสัพพายุตยานอ น, นั้นเป็นสัพพายุอสัพพายุตยา น, นั้นเป็นการมรรจนะเป็นบทของคําว่าพุโทโธเป็นการมรรจประกอบพิยาณในเรื่องนี้ท่านกล่าวท้วงไว้ว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นอรัตมักนั่นแหละจะได้วูหานว่าสัพพายุตยานบ้างเพราะกระทำเยยยะธรรมทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันอรัตมักนั้นย่อมไม่ได้วูหานั้นเพราะมีในขณะเดียวและเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวอรัตมัคนี้เกิดขณะเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าสัพพายุตยานนั้นเกิดหลายครั้ง แล้วก็มีอารมณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเลยอุปมาเหมือนดวงประทีปที่เรานํามาแล้วเพื่อประโยชน์แก่แสงสว่างนั้นดวงประทีปที่เขาจุดในเรือนยามรัติการย่อมกําจัดความมืดในขณะหนึ่งย่อมกระทําพันดะมีหม้อและผ้าเป็นต้นที่มีอยู่ในเรือนทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันดวงประทีปนั้นแม้กระทําแสงสว่างอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เห็นพันดะทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ว่าผู้มีจักตุอื่นย่อมเห็นเขาแม่เห็นอยู่อย่างนั้นย่อมเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามที่ปรารถนาฉันใดอรหัตมรักษ์ย่อมยังเยอยธรรมทั้งสิ้นให้สว่างสวัยด้วยการละความมืดคือกิเลสย่อมไม่รู้สิ่งนั้นเป็นแผนกแผนกย่อมรู้ทุกอย่างด้วยสับพัญยุตยานอันสมควรแก่การนึกในภายหลังด้วยอนุภาพแห่งอรหัตตมรัคนั้นฉันนั้น ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ได้ฌานคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่นี้แพกสินไปด้วยคิดว่าเราจะดูรูปในที่ทั้งหลายในป่าหิมะผานเป็นต้นเนื้อที่ประมาณเท่านี้เข้าฌานตามลำดับอันมีกสินนั้นเป็นอารมณ์ออกจากจะตุตฌานแล้วคร่ครวนด้วยกามาวจรจิตว่ารูปจงปรากฏในระหว่างนี้อธิษฐานอีกรูปย่อมปรากฏพร้อมกับการอธิษฐานชื่อว่า การอธิษฐานในที่นี้เป็นอภิญญาจิตก็จิตดวงหนึ่งนั่นเองมีรูปเป็นอารมณ์นั้นเป็นรูปประวจรจะตุจฌานก็จิตนั้นแสดงให้เห็นด้วยสามัญยรูปแล้วดับไปไม่สามารถจะรู้แยกแยะเป็นแผนกแผนกเพราะมีในขณะจิตดวงเดียวเมื่อจิตนั้นดับไปแล้วเธอนั่งตามสบายในภายหลังย่อมเห็นรูปที่จิตนั้นส่งสว่างแล้ว ตามสบายด้วยจักสุตามปกติว่าที่นี้เป็นหิมะที่นี้เป็นภูเขาที่นี้เป็นแม่น้ำที่นี้เป็นแม่น้ำคงคาที่เหล่านี้เป็นสะที่นี้เป็นต้นไม้ที่นี้เป็นผลไม้ที่นี้เป็นดอกไม้ในเรื่องนั้นอภิญยาจิตมีหน้าที่ส่องให้เห็นรูปพร้อมกันโดยทั่วไปกาโมจรจิตมีหน้าที่รู้การจาแนกเช่นเดียวกัน อรหัตตมัคคจิตอันเช่นกับอภิญญาจิตย่อมทําการส่องให้เห็นเยรยธรรมพร้อมกันย่อมเห็นตามที่ปรารถนาด้วยการมวจรจิตในภายหลังนี่ก็แสดงอุปมาเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นอภิญญาจิตนั้นก็เป็นจิตที่มีอนุภาพสามารถที่จะทํารูปต่างๆให้ปรากฏเหมือนกับอรหัตตมัคคจิตนะสามารถที่จะลักกิเลสแล้วก็ทําให้มีความแสงสว่างปรากฏ แต่ว่าปรากฏกับสับพพายุตยานในภายหลังนะอภิญญาจิตก็เหมือนการก็ทําให้รูปต่างๆที่อาธิษฐานปรากฏกับกาโมจรจิตในภายหลังเวลาที่รู้สิ่งต่างๆ้ก็รู้ด้วยกามวจรจิตอันก็เหมือนกันสําหรับอรตรมัคจิตนั้นเป็นอาสวัคคายาญก็ทําทีแต่ให้สิ้นไปแล้วโมหะก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัพพายุตยานก็สามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆซึ่งสัพพายุตยานนั้นก็เป็นกามวจรนะ ในข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้สัพพัญยุตยานของพระตถาคตเป็นไฉนคือชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้สังคต ธ, ธรรมและอสังคต ธ, ธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้ธรรมส่วนอนาคตทั้งปวง ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ธรรมส่วนอดีตทั้งปวงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ธรรมส่วนปัจจุบันทั้งปวงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้น ชื่อว่าสัพพายุตยานเพราะพระสถานคตทรงรู้ตาและรูปทั้งหลายนั้นทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรไปเครื่องกั้งกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพายุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้หูและเสียงทั้งหลายเพราะทรงรู้จมูกและกลิ่นทั้งหลายเพราะรู้รสรู้รินและรสทั้งหลายเ <aine. S 2> พราะรู้กายและผลทพะทั้งหลาย ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ใจและสิ่งที่คิดนึกทั้งหลายนั้นทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่ารูปที่มีเป็นของไม่เที่ยงเพราะรู้ว่าเวทนาที่มีสัญญาที่มีสังขารที่มีวิญญาณที่มีเป็นของไม่เที่ยงเพราะรู้ว่าตาหูจมูกลิน้นกายใจ สีเสียงตื่นรถผลสภะธรรมารมข้อความละธรรมะสองร้อยหนึ่งนะทั้งหมดเลยในปฏิสัมิธามรักจนกระทั่งถึงทรงรู้ชรามรณะนั้นทั้งหมดว่าเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกางกั้นในยานนั้นชื่อว่าสภัญยุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่พึงรู้ยิ่งที่มีเป็นสิ่งที่พึงรู้ยิ่งนั้นทั้งหมดก็ความละ เพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่พึงกำหนดรู้ที่มีเป็นสิ่งที่พึงกำหนดรู้นั้นทั้งหมดเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่พึงละที่มีเป็นสิ่งที่พึงระนั้นทั้งหมดเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่พึงเจริญที่มีเป็นสิ่งที่พึงเจริญนั้นทั้งหมดเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่พึงทำให้แจ้งที่มีเป็นสิ่งที่พึงทำให้แจ้งนั้นทั้งหมด ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นก็คือทรงรู้ธรรมะ้าอย่างได้ แ, แก่อภินญยธรรมปริญญยธรรมปรหาตัพทธรรมพาเวตัปทธรรมแล้วก็สัจฉิกาตัพทะธรรมโดยความเป็นอภินญยะโดยความเป็นปริญญยะโดยความเป็นปหาตัพระโดยความเป็นภาวนาแล้วก็เป็นสัจจิกาตัพระด้วยสัพพายุตยานแล้วก็ อนาวรยานอนาวรณญาณก็คือเป็นญาณที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัมพัญญุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าขันธ์ทั้งหลายที่มีนั้นทั้งหมดเป็นขันธ์เพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าธาตุทั้งหลายที่มีนั้นทั้งหมดโดยความเป็นธาตุเพราะพระตถาคตทรงรู้อายตนะทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งหมดโดยความเป็นอายตนะเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่าสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ ถูกปัจจัยตรงแต่งก็คือเป็นสังคต ธ, ธรรมและชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกาลางกั้นในญาณ น, นั้นที่ชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตต้องรู้กุศลที่มีโดยความเป็นกุศลทรงรู้ต้องรู้อกุศลที่มีโดยความเป็นอกุศลทรงรู้อัพยากตธรรมที่มีอยู่โดยความเป็นอัพยากตธรรมทรงรู้การมว unsere ิจารธรรมที่มีอยู่โดยความเป็นการมวิจระ ต้องรู้รูปาวจรธรรมที่มีอยู่โดยความเป็นรูปาวจระต้องรู้อรูปาวจรธรรมที่มีอยู่โดยความเป็นอรูปาวจระและต้องรู้อปริยาปณธรรมที่มีอยู่นั้นทั้งหมดโดยความเป็นอัปริยาปณธรรมก็คือธรรมที่ไม่นำเนื่องกับโลกได้แก่โลกุตรธรรมนั่นเองที่ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกางกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตทรงรู้ว่า ทุกต้ um. องรู้ทุกโดยความเป็นทุกต้องรู้สมุทัยโดยความเป็นสมุทัยต้องรู้นิโรธโดยความเป็นนิโรธต้องรู้มัชที่มีอยู่ทั้งหมดโดยความเป็นมัชชื่อว่าอนาวรณยาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตทองรู้อัฏฐปฏิสัมพิทาเพราะพระตถาคตทองรู้ธรรมปฏิสัมพิทาเพราะพระตถาคตทองรู้นิโรตติปฏิสัมพิทา พระพระตถาคตต้องรู้ปฏิภาณปฏิสัมพิธาที่มีอยู่ทั้งหมดโดยความเป็นอัฏฐโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นนิรุตติโดยความเป็นปฏิภาณปฏิสัมพิธาชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะพระตถาคตต้องรู้ญาณในความยิ่งและความย่อนแห่งอินทรีย์ที่มีอยู่นั้นทั้งหมดโดยความเป็นอาสญาโนสยะญาณ พะชษฐ์สัพพายุตยา น, นี้ก็ยังรู้อาสยานุส ย, ยานญาณด้วยนะชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่างก้านในญาณนั้นชื่อว่าสัพพายุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้ญาณในอาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายที่มีนั้นทั้งหมดที่มีอยู่นั้นทั้งหมดเมื่อครู่นี้เป็นการรู้ในอินริยอะอินริยะประโรปริยติยานนะ รู้ในความยิ่งและความย่อมแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าอินตริยะปโรปิยติยานต่วการรู้ในายานในการรู้อาสยะและก็อนุสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอาสยานุสยะยานเพราะพระตถาคตทรงรู้ยานในยะ ม, ะยะมะกะปาฏิหารที่มีอยู่นั้นทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นยานนั้นนั่นก็สัพพายุตยานนี้ก็รู้ทั้ง อาสญาณสยะญาณแล้วก็ยมะกะปาปิหารยะญาณด้วยชื่อว่าสัพพายุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้ญาณในมหากรุณาสมาบัติตลอดที่มีนั้นทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกางกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพายุตยานเพราะพระตถาคตทรงรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมารมณ์ที่โลกพร้อมทั้งเทวโดก มูสัตย์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้บรรลุได้แสวงหาได้ตรองตามด้วยใจที่มีอยู่นั้นทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกลางกั้นในญาณนั้นในโลกนี้อะไรที่พระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นย่อมไม่มีก็สิ่งที่ไม่ทรงรู้แล้วก็ไม่ได้มีแล้วสิ่งที่จะไม่ทรงรู้ก็จะไม่มี มีสิ่งใดที่พึงรู้อยู่พระตถาคตก็ทรงรู้สิ่งนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าทรงมีพระเนตรรอบด้านก็คือสมัญจัสมตะจักขุคําว่าสมัญตะจักขุทรงมีพระเนตรรอบด้านอธิบายว่าชื่อว่าทรงมีพระเนตรรอบด้า น, าาาพ เ, น, านเพราะมีความหมายว่าทรงมีพุทธญาณสิบสี่ประการคือ ญานในทุกหนึ่งชื่อว่าพุทธยานญานในสมุทัยญานในนิโรธยานในทุกขนิโรธถ้าขาดไม่นด้ปฏิปทาก็คือยานในอริยสัจสี่นะสี่ข้อละข้อที่ห้าก็คือยานในอัฏฐปฏิสัมพิทาข้อที่หกยานในธรรมปฏิสัมพิทาข้อที่เจ็ดยานในนิโรติปฏิสัมพิทาข้อที่แปดยานในปฏิภาณปฏิสัมพิทาข้อที่เก้ายานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ข้อที่สิบยานในอาสยานะยานในอาศยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายข้อที่เก้านี้ก็คืออินเดรยะปโรปริยติยานข้อที่สิบก็คืออาศ ย, ย, ยาอนุสยาญาณแล้วก็ข้อที่สิบเอดยานในยมกปาติหารข้อที่สิบสองยานในมหากรุณาสมาบัติข้อที่ 13, สิบสามสัพพายุติยานข้อที่สิบสี่ก็คืออนนาวรณญาณอันนี้ชื่อว่าพุทธยานสิบสี่นะพุทธยานสิบสี่ก็คือยานในอริยสสี แล้วก็ญาณในปฏิสัมพิทาสี่เป็นแปดญาณในอาธารณญาณอีกหกอาศทะรณญาณอีกหกนะก็เลยเป็นสิบสี่ญาณมีชื่อว่าพุทธญาณก็รวมสัพพายุตญาณอยู่ด้วยบรรดาพุทธญาณสิบสี่ประการนี้ญาณแปดประการเบื้องต้นเป็นญาณที่ทั่วไปกับรักษาวกก็คือญาณในอริยสี่ 4, กับญาณในปฏิสัมพิทาสี ตัวยาณอีกหกประการเบื้องปลายเป็นยานที่ไม่ทั่วไปกับราาพระสาวกทั้งหลายเรียกว่าอาสาธารณยานนี้เป็นสัพพ์ยุตยานของพระตถาคตอานัาพาะะ น, นพุทธญาณทั้งหมดนี้ก็เป็นไปในพุทธเป็นไปในสัพพ์ยุตยานในเรื่องนั้นมีอัตฉกิาดังต่อไปนี้ในนิเทศแห่งพระสัพพายุตยานพระสารีบุตรเทระถามว่า กะตมังตถาค ต, ตัสสะสับพันยุตัญญานังสัพพันยุตญาณของพระตะถาคตเป็นไฉไรแล้วอธิบายอนาวรณญญาณพร้อมกับสับพันยุตญาณ น, นั้นเพราะอนาวรณญญาณมีคติเสมอกับสับพันยุตญาณ น, นั้นก็อนาวรณญญาณไม่มีแผนกหนึ่งโดยสภาวธรรมโดยสภาวธรรมก็เป็นอันเดียวกันนะมหาทิริยาญาณนนะสัมยุตเหมือนกัน ยิ่งอยู่ยานนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นพระสารีบุตรเถระกล่าวเป็นสองส่วนโดยอาการและประเภทดุดสัตทินรีย์และสัทธาภละก็องคธรรมก็เป็นสัทธาเจตสิกนั่นเองแต่ว่าโดยกิจเป็นอินซียเป็นใหญ่ก็เป็นภละไม่หวั่นไหวก็สัพพายุตยานท่านเรียกว่าอนาวรณะเพราะไม่มีอะไรกัน้นเพราะไม่มีทำอะไรหรือบุคคลไหนที่จะสามารถทําการกั้นได้ เพราะทมทั้งปวงขึ้นอยู่กับการนึกหน่วงก็ชนเ่าอื่นแม้นึกหน่วงแล้วก็ยังไม่รู้ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าสัพพัญญุตยานเปรียบเหมือนมโนวิญญาณเพราะมีทมทั้งปวงเป็นอารมณ์ยานนั้นนั่นแลชื่อว่าอนนาวรณยาณเพราะไม่มีอะไรขัดขวางในอารมณ์ทั้งหลายดุจวชิราวุฒของพระอินทร์สัพพัญญุตยานปฏิเสธความเป็นสัพพัญูตามลำดับ เขาเร <things> ียกว่าอนุปุกษสัพพ huh. <protein Jenny. S 1> ัญญูอนนาวรณญาตปฏิเสธความเป็นสัพพัญญูคราวเดียวก็คือสกิณสัพพัญยูพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าสัพพัญยูเพราะการได้พระสัพพัญยุตยานแต่ไม่เรียกว่าอนุปุกษสัพพัญยูพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านเรียกว่าสัพพัญญูเพราะได้เฉพาะอนนาวรณญาณแต่ไม่เรียกว่าสัพพัญยูคราวเดียว สัพพัญยูที่เป็นอนุปุพระสัพพัญยูนี่หมายถึงคือไม่ได้เป็นไปติดต่อนเนืองๆเพราะการรู้สิ่งทั้งปวงนั้นขึ้นอยู่กับการนึกหน่วงนะไม่จําเป็นจะต้องมารู้ตามลําดับจะรู้เมื่อไหร่ที่ไหนข้ามลําดับนะอดีตอนาคตปัจจุบันได้หมดส่วนสกิงสัพพัญยูนั้นเป็นการรู้คราวเดียว น, นี้ก็ไม่ใช่สัพพัญยูพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สรงรู้สิ่งทั้งปวงคราวเดียวแล้วไม่ส่งรู้อีกพระองค์เมื่อต้องการจะรู้ เมื่อไหรก็นึกหน่วงแล้วก็รู้ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธทั้งอนุปุพะสัพพัญญูรู้ตามลําดับกับสกิงสัพพัญญูนี้รู้คราวเดียวอันนี้ไม่ใช่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าของเราในคําว่าสับบางสังคตาสังคตังอนวะเสสังชานาติทรงรู้สังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือนี้อธิบายว่าคําว่าสับบางทั้งปวง เป็นคำที่รวมเอาธรรมทั้งปวงไม่มีเหลือโดยชาติคำว่าอนวะเสสังไม่มีอะไรเหลือเป็นคำที่รวมเอาธรรมแต่ละอย่างโดยไม่มีเหลือโดยอาการทั้งปวงคำว่าสังคตะมะสังคตังสังคตะธรรมและอสังคตธรรมเป็นคำแสดงสิ่งที่มีสองประเภทคำว่าสังคตังสังคตธรรมเป็นประเภทหนึ่งคำว่าอสังคตังก็คืออสังคตธรรมเป็นอีกประเภทหนึ่ง สิ่งที่ปัจจัยทั้งหลายประชุมการปรงแต่งไว้ชื่อว่าสังคตธรรมคือขันห้านั่นเองเกิดจากการรมจิตอุตุอาหารมาประชุมปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่ปัจจัยทั้งหลายไม่ได้ประชุมการปรงแต่งไว้อย่างนั้นชื่อว่าอสังคตธรรมคือพระนิพพานนั่นเองไม่ได้ถูกปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะว่าพระนิพพานไม่เกิด พระตถาคตย่อมทรงรู้สังคตรธรรมอย่างไม่มีตัวเหลือโดยอาการมีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นต้นย่อมทรงรู้อสังคตรธรรมอย่างไม่มีตัวเหลือโดยอาการมีญญมสุญญตานิมิตเปน็นต้นนะสุญญตานิมิตอภันิหิตะแล้วก็ออันิหิตะแล้วก็สุญญะตานิมิตะนะ ส่วนเหลือไม่มีแก่สังกธตธรรมด้วยแก่อสังกธตธรรมนั้นด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าไม่มีส่วนเหลือคือย่อมทรงรู้ซึ่งสังกธตธรรมและอสังกัตธรรมอันไม่มีส่วนเหลือนั้นบัญญัติแม้มีหลายประเภทมีสัทธาบัญญัติและอัตตาบัญญัติเป็นต้นย่อมเข้ากับฝ่ายอสังกธตธรรมเพราะไม่ถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งบัญญัตินี้ก็ทรงเคราะห์เข้าในฝ่ายอสังกธตธรรมนะเพราะว่าไม่มีการเกิด เพียงแต่ว่าจิตเข้าไปรู้แล้วก็มีทำให้มีบัญญัตินั่นเองแต่ว่าบัญญัตินั้นไม่เกิดนะเพราะว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการดับเพียงแต่ว่าเป็นอารมณ์สำเร็จเป็นอารมณ์ของจิตได้เพราะฉะนั้นก็จัดอยู่ในไฟอสังกัตธรรมได้จิงอยู่สัพพายุตยานย่อมรู้บัญญัติแม้ทั้งหมดหลายประเภทอีกอย่างหนึ่งคาว่าสับบางทั้งปวง เป็นคำรวมเอาธรรมทั้งปวงคำว่าอานณวเสสังไม่มีอะไรเหลือเป็นคำรวมเอาธรรมที่ไม่มีส่วนเหลือคำว่าตัดถะอวะระนังนัตถิไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นในยา น, นั้นสัพพายุตยานไม่มีเครื่องกัน้นเพราะปราศจากความคล่องในวิสัยแห่งสังคตธรรมและอสังคตธรรมนั้นเหตุนั้นสัพพายุตยานนั่นแหลชื่อว่าอานาวารณยาน บัดนี้เพื่อจะแสดงประเภทแห่งวิสัยหลายอย่างพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าอาตีตังส่วนอดีตเป็นต้นด้วยคำไปยา น, นี้ว่าจักขุสะเตชรามรนะสะก็คือตาแล้วก็ข้อความละชรามรนะก็คือธรรมะสองร้อยหนึ่งในในปฏิคัมพิทาพึงทราบการรวมเอาทวารหกมีจักขุทวารเป็นต้น อารมณ์หกมีรูปเป็นต้นวิญญาณหกัสสะหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกอย่างละหกที่เป็นไปทางทวานนั้นๆก็คือปิยารูปสายรูปหกสิท์นั่นเองสภาวะอันเป็นที่รักที่น่ายินดีในโลกนี่นะแล้วก็ธาตุหกมีปฐวีธาตุเป็นต้นก็ได้แก่อะไรยินน้ำใสลมแล้วก็อากาศวิญญาณธาตุนะ กสิตายตนะสิบอย่างบ่อเกิดแห่งกสิณนะเหตุหรือว่าบ่อเกิดแห่งกสิณสิบอย่างก็กสิณสีวันละกสิณสิบเป็นวันละอโทษวันละกสิณสี่อย่างแล้วก็ภูตกสิณสี่อย่างดินน้ำไสลมนะวันละกสิณก็สีเขียวเหลืองแดงขาวแล้วก็อาตาอากาศสกสิณวิญญาณกสิณสิบอย่างนี้อาการสามทีสองผมก็เล็ดฟันหนังจะทั่งถึงน้ำมูดนั่นแหละเป็นต้น แล้วก็ขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์อันเป็นโลกียะก็มีสิบก้าอินทรีย์ทั้งหมดยีสิบสองนะแต่เอาเฉพาะโลกียะก็สิบเก้าอย่างยกเว้นพวกอนัญญาปัญญาสามีตินทียอันยินทรียแล้วก็อัญญาตาวินทียอันนี้ปัญญาที่เป็นโล ก, กุตระไม่เอาภพสามมีการมาภพเป็นต้นการมาภพรูปภพอรู้ภพนะแล้วก็จำแนกออกเป็นอีกอะไรเป็น สัญญาภพอสัญญาภพเนวะสัญญาณสัญญาภพเอกโวการภพจตุวคารภพปัญจโวการภ พ, ารพมาภพเก้าแล้วก็ฌานสี่ฌานหนึ่งสองสามสี่อภปัญญาอีกสี่ก็พวกอะไรเมตตากรุณาโมนิกาอุเบขาอรูปฌานอีกสี่แล้วก็องค์แห่งปฏิจจทุบาสิบสองรวมทั้งธาตุสามด้วยกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเมื่อจะแสดงภูมิแห่งพระสัพพัญญุตญาณโดยในที่กล่าวแล้ว ในการะการามสูตรเป็นต้นอีกพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่ายาวตาสาเดวกตะพร้อมทั้งเทวดาที่มีเป็นต้ น, นในการการะการามสูตรนี้อยู่ในอังคุตปรินิกายจตุในบาศเพื่อให้สำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูโดยประยายแม้อื่นอีกพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวคาถาว่าณตัสสะ ที่พระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นแล้วย่อมไม่มีในคํานั้นคําว่าตัตตะคือพระตถาคตพระองค์นั้นคําว่าอิทะนี้คือในโลกธาตุสามโลกนี้หรือในปัจจุบันกาลนี้อะไรอะไรคือสิ่งแม้มีประมาณน้อยที่พระตถาคตไม่ทรงเห็นแล้วด้วยปัญญาจักษุย่อมไม่มีคือย่อมไม่ปรากฏคําว่าอัตติย่อมมีนี้เป็นอัพยบบท ใช้ในการที่เป็นปัจจุบันพระสาริบุตรเถระแสดงความที่พระตถาคตทรงรู้ธรรมทั้งปวงที่เป็นปัจจุบั น, นการด้วยคําว่าอัตถินี้ก็มัอักษรในคําว่ามิทัตินี้พระสาริบุตรเถระประกอบไว้เพื่อสะดวกในการกล่าวคาถาสับว่าอโถในคําว่าอโถอวิญญาตังก็สิ่งที่ไม่ทรงรู้แล้วนี้ เป็นมิบาทใช้ในการรวมคําคําว่าอาวิญญาตังไม่ตรงรู้แล้วมีคํากล่าวที่ยังเหลือคือทําอะไรอะไรที่เป็นไปในอดีตการชื่อว่าพระตถาคตไม่ท้งรู้แล้วไม่ได้มีแล้วในการระบุถึงอัติศัพท์ที่เป็นอัพยบทจะเว้นคํากล่าวที่ยังเหลือไปใช้ได้พระสารีบุตรเถระแสดงความที่พระตถาคต ทรงรู้ธรรมทั้งปวงที่เป็นอดีตการด้วยคาว่าอาวิญญาตังนี้คำว่าอาชานิตบังที่จะไม่ทรงรู้ได้แก่ธรรมที่เป็นอนาคตการที่ชื่อว่าพระตถาคตจะไม่ทรงรู้จะไม่มีหรือย่อมไม่มีพระสารีบุตรเถระแสดงความที่พระตถาคตทรงรู้ธรรมทั้งปวงที่เป็นอนาคตการด้วยคาว่าอาชานิตบังนี้ อีกอย่างหนึ่งอักขรนเป็นเพียงความแปลกกันในจิริยาที่ให้รู้คำว่าสับบางอภินยาสิยะดัตติใหญ่ยังมีสิ่งใดที่พึงรู้อยู่พระตถาคตก็ทรงรู้สิ่งนั้นทั้งหมดความว่ามีทำใดคืออะไรอะไรที่ควรรู้คือที่ควรทราบที่เป็นไปในสามการหรือที่พ้นจากการอยู่พระตถาคตได้ทรงรู้ทำนั้นทั้งหมด คือทรงแทงตลอดด้วยสัพันยุตยานอันยิ่งด้วยอัติศัพท์ในคำว่ายะดัตถินี้รวมเอาธรรมที่มีในสามการและธรรมที่พ้นจากการพึงเห็นว่าอัติศัพท์เป็นอัพยะในคาถานี้ที่เป็นปุกคราธิฐานพระสารีบุตรเถระกล่าวอธิบายไว้ว่าคำว่าตาถาฆโตเตนะสมันตะจักขุ เพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าทรงมีพระเนตรรอบด้านคือยานะจักขุที่เป็นไปแล้วรอบด้านคือโดยประการทั้งปวงเพราะไม่มีส่วนด้วยสามารถแห่งการและด้วยสามารถแห่งโอกาสมีอยู่แก่พระตถาคตนั้นเหตุนั้นพระตถาคตนั้นชื่อว่าสมันตะจักขุมีพระเนตรรอบด้านพระตถาคตชื่อว่าเป็นพระสัพพัญญูมีพระเนตรรอบด้าน ด้วยเหตุตามที่กล่าวแล้วนั้นสัพพัญยุตยานอันพระสารีบุตรเถระให้สําเร็จแล้วด้วยเทศนาอันเป็นปุกราธิฐานในคาถานี้ก็ในดีกา ว, วิสุทธิมักว่ามีคําถามว่าก็สัพพัญยุตยา น, นี้เมื่อเป็นไปย่อมเป็นไปในอารมณ์ทั้งปวงคราวเดียวหรือหรือว่าย่อมเป็นไปตามลําดับเป็นสกิงสัพพัญยูหรือว่าเป็นอนุปุพภะสัพพัญยูหรือเปล่า ในเรื่องนี้มีคำอธิบายบางอย่างถ้าพระสัพพัญยุตยานย่อมเป็นไปในอารมณ์ทั้งปวงคราวเดียวการอย่างรู้โดยการจำแนกสังคตรธรรมทั้งหลายและอสังคตรธรรมกับสมมุติธรรมทั้งหลายอันต่างโดยเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในและภายนอกเป็นต้นก็ไม่พึงมีเหมือนบุคคลเพ่งดูผืนผ้าอวิจิตแต่ที่ไกลในที่ปรากฏพร้อมกันเมื่อเป็นเช่นนั้น พระสัพพยุตยานย่อมพ้องกันกับข้อว่าทำทั้งปวงย่อมเป็นวิสัยแห่งยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยรูปที่สลายไปดุดการเห็นแจ้งอาการคืออนัตตาของบุคคลผู้เห็นแจ้งอยู่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอาจารย์แม้เหล่าใดกล่าวว่าพระยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเว้นจากการนึกนวงเป็นอารมณ์แห่งลักษณะที่ทำที่ควรรู้ทั้งปวงตั้งอยู่ ย่อมเป็นไปตลอดกาลทั้งปวงเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านจึงเรียกว่าทรงรู้สิ่งทั้งปวงก็เพราะอธิบายอย่างนี้คําแม้นี้ว่าผู้ประเสริฐเมื่อเดินไปก็มั่นคงแม้เมื่อยือนก็มั่นคงผู้ประเสริฐนอนอยู่ก็มั่นคงแม้นั่งก็มั่นคงเป็นคําที่ท่านกล่าวไว้ถูกต้องดีแล้วอาจารย์แม้เหล่านั้นจะไม่พ้นจากโทษที่กล่าวแล้ว พระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึ่งมีอารมณ์ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะมีลักษณะธรรมที่ดำรงอยู่เป็นอารมณ์และเพราะไม่มีธรรมที่เป็นอดีตและอนาคตและปัจจุบันเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่ายานย่อมเป็นคราวเดียวจึงไม่ถูกต้องอบอกว่าเป็น ส, ก, ก, ส, นแบบส ก, กิงสัพพันยูแบบสกินสัพพันญูนี่ไม่ใช่นะไม่ถูกไม่ได้รู้คราวเดียว อันหนึ่งแม้จะกล่าวอย่างนี้ว่ายานย่อมเป็นไปในอารมณ์ทั้งปวงตามลําดับก็ไม่ถูกต้องจะบอกว่าเป็นอนุปุพภะสัพพัญญูก็ไม่ได้ก็เมื่อถือเอาธรรมที่ควรรู้โดยลําดับอันต่างด้วยธรรมหลายประเภทด้วยสามารถแห่งชาติภูมิและสภาวะเป็นต้นและด้วยสามารถทิศประเทศและการเป็นต้นการแทงตลอดธรรมที่ควรรู้อย่างไม่มีตัวเหลือย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะธรรมที่ควรรู้มีภาวะ ที่ไม่มีที่ตุดก็หรือว่าอาจารย์เหล่าใดา ย, ย่อมกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสัพพันญูพระทรงกําหนดทำยศธรรมให้ประจักษ์เป็นเอกเทศแล้วทรงน้อมพระไถว์ว่าแม้ในส่วนที่เหลือก็เป็นอย่างนี้โดยไม่ให้เหนือความคาดเคลื่อนก็นยานนั้นคาดคะเนเอาไม่ได้เพราะไม่มีความสงสัยก็ยานที่คาดคะเนในโลกยังผูกพันกับความสงสัย ทำนั้นแม้ของอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีการทำยะยะธรรมให้ประจักษ์เป็นเอกเทศแล้วทรงน้อมพระไถว่าแม้ในส่วนที่เหลือก็เป็นอย่างนี้โดยไม่ยังเนื้อความให้พลาดเคลื่อนเพราะภาวะแห่งธรรมทั้งพวงไม่ประจักษ์พราะญาณที่ยังเหลือนั้นยังไม่ประจักษ์อันนี้ก็ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่มีการอนุมานแล้ ว, ลวไม่มีการน้อมพระไถยไปโดยการที่สงเคราะห์เพราะว่าไม่ได้ ประจักษ์แ้งธรรมะทั้งหมดแต่ว่าธรรมทั้งหมดนั้นประจักษ์แ้งกับสบพญุต ย, ยานจริงๆเมื่อเป็นเช่นยานนั้นก็ประจักษ์ความที่ยานนั้นยังมีตัวเหลืออยู่ก็ไม่พึงมีนั่นเทียวเหตุนั้นยานทั้งหมดนั้นม่ใช่เหตุถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเป็นการพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพิสูจทั้งหลายพุทธวิสัยเป็นเรื่องอจินไตย อันใครไม่ถึงคิดผู้ที่คิดพึงมีต่วนแห่งความเป็นคนบ้าและความเดือดร้อนก็ในเรื่องนี้มีข้อสันนิษฐานคือตกลงใจดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะทรงทราบสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสิ้นหรือบางส่วนพระญาญย่อมเป็นไปในสิ่งนั้นโดยประจักษ์เพราะไม่มีอะไรติดขัดในพระญาญ น, นั้นและความตั้งมั่นเป็นนิจย่อมเป็นไปเพราะไม่มีความฟาุ้งซ่าน ความที่พระญาณ น, นั้นเป็นไปเนื่องด้วยความนึกหน่วงในภาวะที่ไม่ใช่วิสัยแห่งสิ่งทั้งสิ้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะรู้ไม่พึงมีความที่พระญาณเป็นไปเนื่องด้วยความนึกหน่วงนั้นพึงปรารถนาความหวังนั้นโดยส่วนเดียวพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้มีทาส่วนอดีตและอนาคตเป็นอารมณ์พึงเป็นสิ่งประจักษ์นั่นเทียว เพราะเว้นจากความยึดถือด้วยการคาดนเนการเรียนและการตรึกตามพระบาลีว่าทำทั้งปวงนับเนื่องด้วยความนึกนับเนื่องด้วยความหวังนับเนื่องด้วยมนสสการนับเนื่องด้วยจิตตุ บ, บาทของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้านึกหน่วงอยากจะคิดอยากจะให้สิ่งใดปรากฏก็น่วงเอาแล้วก็ปรากฏทันทีเลย ถามว่าในฝ่ายแม้นั้นจะไม่พ้นจากโทษที่ท่านกล่าวแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาญาณทั้งสิ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงเป็นไปโดยรูปที่สลายไปคราวเดียวเท่านั้นเพราะมีธรรมทั้งสิ้นเป็นอารมณ์นั่นเทียวมิใช่หรือตอบว่าไม่ใช่เพราะพระญาณ น, นั้นบริสุทธิ์แล้วเพราะพุทธวิสัยอันเป็นอจินไตรบริสุทธิ์แล้ว เมื่อถือเอาความโดยประการอื่นความที่พระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาพพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยจะพึงมีไม่ได้เพราะมีความเป็นไปเสมอด้วยยานของชนเป็นอันมากเพราะเหตุนั้นพระยานนั้นแม้มีธรรมทั้งสิน้นเป็นอารมณ์ก็ย่อมเป็นไปโดยกระรทำรมเหล่านั้นที่กำหนดไว้ดีแล้วดุดมีธรรมอันหนึ่งเป็นอารมณ์ฉะนั้นพระยานนี้จึงเป็นอจินไตยในที่นี้ สมจริงดังที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตัดสุขทำทั้งปวงโดยชอบด้วยพระองค์เองตามสมควรแก่ความปรารถนารวมกันแยกกันคราวเดียวหรือว่าตามลำดับอย่างนี้ว่าสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เพียงใดพระญาณประมีอยู่เพียงนั้น พระญานมีอยู่เพียงใดสิ่งที่ควรรู้ก็มีอยู่เพียงนั้นก็คือย ย, ะยะทณธรรทั้งหลายเนี่ยมีเท่าไหร่พระยานก็รู้ได้ทั้งหมดเลยพระญานสามารถรู้สิ่งใดก็ไม่เกินจากนั่นแหละสิ่งที่พึงรู้ทั้งหมดพระยานย่อมมีสิ่งที่ควรรู้เป็นที่สุดรอบดังนี้ก็ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้สามารถตรัสรู้ธรรมไม่มีตัวเหลือในพระสันดานได้มีแล้วเพราะการบรรลุยานที่สามารถตรัสรู้ธรรมทั้งปวงได้ดังนี้ ในแห่งดีกาเพียงเท่านี้กามาวจรกิริยาจิตสารคตด้วยโสมนัสสามยุทธ์ด้วยยานที่เป็นอสังขาริศชื่อว่าพระสัพพัญญุตยานก็คือมหากิริยาจิตดวงที่หนึ่งนะมหากิริยาดวงที่หนึ่งเป็นยาณอาสามยุทธโสมนัสเวทนาแล้วก็อสังขาริศท่านกล่าวบทสองบทด้วยยานนั้นนั่นแหละว่า ทำอะไรอะไรที่ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์แห่งพระสัพพยุตยานย่อมไม่มีและด้วยสามารถความสัมพันธ์ตันแห่งเหตุและผลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาทยะอนุสัยจริตอธิมุดและความยิ่งหย่อนแห่งอินตีของสัตว์ทั้งหลายเมื่อทรงแสดงธรรมย่อมทรงแนะนาสัตว์เพื่อจัแสดงความพยายามที่สุเมทะนาบทประธรรมแล้วเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ตั้งแต่กระทำความปรารถนาแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกอนจนถึงความสำเร็จด้วยอรหัตมะจึงกล่าวบทว่าสัมมาสัมพุทโธตัดรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองดังนี้เพื่อจะแสดงความเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นผลแห่งความพยายามนั้นตั้งแต่อรหัตผลจนถึงความสำเร็จด้วยอนุปาธาปรินิพานจึงกล่าวบทว่าบุทโธตัดรู้แล้ว คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนี้เพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในที่นั้นย่อมไม่บรรลุความบริสุทธิ์เพราะถูกพุ้มห่อแล้วด้วยมวลทินคือกิเลสฉะนั้นเพื่อแสดงความปราศจากกิเลสก่อนใครทั้งหมดท่านจึงกล่าวบทที่หนึ่งว่าอรหังทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสดังนี้เพื่อแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละกิเลสอย่างนี้ จึงได้อานิสองเหล่านี้จึงกล่าวบทที่สองว่าสัมมาสัมบุตโธตัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเพื่อจะแสดงว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบแล้วด้วยคุณเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ตัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองท่านจึงกล่าวบทที่สามว่าวิชาจารณะสัมปันโนเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเพื่อจะแสดงว่าพระองค์ทรงบรรลุแล้วในคุนนี้ ชื่อว่าเรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะท่านจึงกล่าวบทที่สี่ว่าสุขโตสเสด็จไปดีแล้วเพื่อจะแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงฐานะที่สุขงอมแห่งปัญญาเครื่องตัดรู้เพราะท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปสู่ที่ดีเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าพระสุคตทรงเอาชนะมารได้รับชัยชนะในโลกท่านจึงกล่าวบทที่ห้าว่าโลกวิถู ต้องรู้แจ้งโลกเพื่อจะแสดงว่าพระองค์ในทรงแนะนําสัตว์โดยความเป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างนี้ท่านจึงกล่าวบทที่หกว่าอนุตตรโภพุริสะดำมสารถิพระองค์ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมดังนี้เพื่อจะแสดงว่าพระองค์ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างนี้เป็นอาจารย์เอกของชาวโลกทั้งสิน้นท่านจึงกล่าวบทที่เจว่าสัทธาเดวะมนุษยานาง ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะแสดงว่าพระองค์ในทรงเป็นพระศาสดาเพราะตัดสรู้สัจจะท่านจึงกล่าวบทที่แปดว่าบุตโธตัดสรู้แล้วดังนี้เพื่อจะแสดงว่าพระองค์ตัดสรู้แล้วเพราะเหตุนี้ท่านจึงกล่าวบทที่เก้าว่าภะภาวะทรงเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ เพื่อจะแสดงกุศลสมพานที่ตรงสั่งสมแล้วตลอดการกาหนดมีได้ย้อนลําดับอีกเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระองค์ตรงมีภาคยธรรมเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระขวาท่านจึงกล่าวว่าพระขวารตรงเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เพื่อจะแสดงการตัดสู้ที่บังเกิดแล้วด้วยบทนั้นท่านจึงกล่าวบทว่าบุตโธดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ชื่อว่าทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมเพราะความที่พระองค์ทรงเป็นศาสดาพระองค์ได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเพราะความที่พระองค์ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกพระองค์ได้ทรงชื่อว่าเป็นพระสุคต เพราะความที่พระองค์ทรงเสด็จไปสู่ที่โพธิบัลลังเพื่อให้สำเร็จความเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระองค์ได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเพราะความที่พระองค์เสด็จไปดีแล้วพระองค์ได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้ตัดรู้ชอบด้วยพระองค์เองเพราะความที่พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะท่านกล่าวคาว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะแสดงตามลาดับนี้ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะพระองค์สมควรซึ่งการบูชาอย่างวิเศษเพราะความที่พระองค์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วจึงถึงตาตกลงใจในที่นี้ว่าชื่อว่าโทษในการกล่าวซ้ำในคําว่าบุตโธย่อมไม่มีเพื่อจะพันธนาเนื้อความแห่งบทนี้ว่าสัมมาสัมบุตโธ พึงนำพระไตรปิฎกทั้งหมดมาเพราะพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแสดงไว้แล้วด้วยพระสัพพัญยุตยา น, นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงคําว่าสัมมาสัมพุโทโธหรือว่ากรรมพุโทโธนี้ก็ต้องไปยกพระไตรปิฎกทั้งหมดมาเลยนะเพราะว่าพันานาเท่าไรก็ไม่สิ้นตุดนาไม่จบนะเพราะว่าเป็นสัพพัญยุตยานที่แสดงนะคําว่า พระผู้มีพระภาคพระทรงมีภาคยธรรมทรงทำลายกิเลสทรงจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ที่ทรงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคก็คือคำว่าพระควาเนนะพระทรงมีโชคทรงทำลายกิเลสทรงประกอบด้วยพระธรรมทรงจำแนกแจกแจงธรรมทรงเสริมอริยธรรมทรงคลายตัณหาในภพสามทรงเป็นที่เคารพของชาวโลกทรงอบรมพระองค์ดีแล้วทรงมีตัวแห่งปัจจัยตีเป็นต้น อ่าจึงขยายคาวามไว้ในดีกาวิสุตติมากอีกเยอะแยะเลยนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้ที่อบรมศีนสมาธิปัญญาได้ศรัทธาปีติประโมทในการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าน้อมนาคุณเหล่านี้มาสถิตไว้ในจิตใจของตนเองแล้วก็อบรมให้เจริญพ่อปูนยิ่งขึ้นด้วยศีนสมาธิปัญญาจนกว่าจะสามารถตัดรู้อริยสัจสิธรรมกระทั่งที่สัวแห่งทุกข์โดยการสหนึกรู้ทุกขและสมุทัยทำเนื้อต้นใแจ้งแล้วก็ อบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์ก็ขอให้สำเร็จสิ้นวัตตะทุกข์โดยทั่วกนโด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ